เมาเนี่ยก็รถอาจจะแหกโคง้งหรือว่าไปชนใครสักคนก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางหลับในก็ดีเมาไม้ก็ดีนี่มันก็เป็นความลืมตัวหมดแล้วไม่มีความรู้ตัวจะไม่ใช่แค่นั้นนะถึงแม้ไม่เมาไม่หลับในแต่ว่า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 มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็รวมทั้งรู้เส้นทางด้วยนะว่าทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นคืออะไรจะถ้าเราไม่รู้ตัวสัยอย่างนะมันก็ไม่ถึงเป้าหมายความรู้ตัวเนี่ยมันมีหลายระดับนะไม่ใช่เพียงแค่ว่า เห็นหน้าตัวเองในกระจกแ ล, กล้วก็รู้ว่าเนี่ยคือเราไม่ใช่ใครอื่นมันยังหล่หนถึงการที่เราเนี่ยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอยู่ไปเพื่ออะไรนะอันนี้เรียกว่ารู้จักตัวเองอคนจํานวนมากนี่ไม่รู้จักตัวเองนะแม้ว่าจะ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 เขาได้อำนาจมาจากการยึดอำนาจจากพ่อพ่อเ็คือชาชานก็คือผู้สร้างทัชมาฮานพวกเรานี่ทุกคนก็คงได้ยินชื่อนะทัชมาฮารชาชานมีคนสร้างแต่ว่าถูกลูกนะยึดอำนาจจากพ่อไปขังไว้แล้วก็ตายในคุกเหมือนกับพระเจ้าชาตสตรทูทำกับพระเจ้าพิมพิสารเอาลังเส้นนี้ก็ยิ่งใหญ่มาก ทำสงครามแผ่อาณาจักรจนกระทั่งจากกระวัติกกโมกุลนี่มันยิ่งใหญ่ใหญ่โตมีประชากรอยู่ในอำนาจถึงร้อยล้านคนหนึ่งในสี่ของโลกใช่นะหนึ่งในสี่ของโลกทีเดียวตอนนั้นประชากรโลกก็ไม่ได้มากอะไรหนึ่งในสี่ของประชากรโลกอยู่ในมือของอาลรังเซ ลำรวยมาหาศาลเพราะว่ายึดเหมืองเพชรได้แล้วก็เป็นคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตเท่าที่ตุตุชนแบบโลกโลกนีจะปรารถนาแต่ว่าตอนที่เขาจะตายเนี่ยเขาเขาลำพึงขึ้นมากับลูกเขาเนี่ยว่าฉันมาแล้วฉันก็ไปเหมือนคนแปลกหน้าฉันไม่รู้ว่าฉันคือใครและฉันกำลังทำอะไรอยู่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 ทั้งสองคนนี่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาขาดายไปอย่างนึงคือความสงบสุขความสงบใจนะที่มอคคอร์สอเขามีทุกอย่างที่จริงก็ไม่ถูกนะเพราะว่าเขาขาดไปอย่างนึงคือความสงบใจซึ่งอำนาจหรือว่าทรัพย์สินเงินทองไม่สามารถจะให้สิ่งนี้กับเขาได้ บางครั้งการที่จะเจอสิ่งนี้เนี่ยอยาจจะต้องสละต้องวางแอาามนานและทรัพย์สินเงินทองด้วยซ้ําอย่างพระเจ้าพัทิยะนะพระเจ้าพัทิยะนี่ก็เป็นพระราชาองค์หนึ่งของแคว้นศักยะเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าเสด็จกลับกรุงก บ, บิลพัฒนะหลังจากที่ตัดสรตวได้ไม่นานเนี่ยก็มีพระญาติจําจนวนหนึ่งออกบวชมีพระอานนท์ นะพระเทวทัตแลวก็พระพัทิยาด้วยพระพัทิยานี่จริงก็จริงจริงก็ไม่ได้อยากจะบวชนะแต่ว่ารับปากนะกับพระอนุรุทะซึ่งเป็นเพื่อนว่าจะบวชนะจะบวชไปด้วยกันก็คงคิดว่าจะสึกได้ซ้ำเมื่อถึงเวลาสักระยะหนึ่งแต่ปรากฏว่าบวชได้ไม่นานก็ก็พบนะพบธรรมะ วันหนึ่งก็นั่งอยู่พูดเดียวแล้วก็ปารกขึ้นมาว่าสุกหนอสุกหนอสุกหนอสุกหนอหนอ่ามีพระมีเพื่อนพระได้ยินก็ไปกราบทูลพระ เ, เจ้าทำนองว่าสงสัยจะนึกถึงตอนที่เป็นกษัตริย์อยู่กมังอาจจะคงจะคลายความเพียรแล้วอยากจะกลับไปหาอาณาจักรชีวิตทางโลก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 นะเพราะกลัวถูกทำร้ายแต่ว่าพอมาบวชนี่ท่านที่ฉันข้าวมือเดียวนะนอนใต้ต้นไม้ไม่มีผู้ใครคอยผู้ใดคอยปกป้องจะ ก, กลับมีความสุขอย่างยิ่งที่มีความสุขเพราะว่าท่านได้บรร ล, ลุธรรมแล้วก็เรียกว่าไม่มีความลังเลสงสัยนะในชีวิต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 เราก็ต้องอาศัยสติเราต้องมีความรู้ตัวเวลาเราทํางานอยู่ในห้องประชุมเราจะประชุมให้ได้เรื่องให้ได้ราวก็ต้องมีสติต้องมีความรู้ตัวพอมปงานก็อาจจะโกรธโมโหเวลาถูกวิจารณ์ล้วก็ตอบโต้กลับไปเพอเพอที่ประชุมก็ล่มเอาง่ายๆนะเพราะว่าทะเลาะเบาะแหวงกัน นี่เป็นไปเพราะเป็นไปเพราะความไม่รู้ตัวทั้งนั้นนะทีบ้านเมืองชะงักงันกันเป็นหลายเดือนหลายปีก็เพราะผู้คนไม่น้อยนี่เีกว่าไม่รู้ตัวจมอยู่ในอารมณ์อยู่ในความโกรธความเกลียดขาดสตินะพร้อมที่จะเผาบ้านตัวเองเพื่อได้ชัยชนะนะหรือเหมือนกับคนที่ขับรถ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 อันตรายมี2 อ, อย่างอันตรายที่ปรากฏและอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่ปกปิดก็คือความโลภ ค, ความโกรธความถือตัวนะความอิจฉาลิษยาไอนะทั้งหมดนี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจซึ่งบีบขั้นใจให้เป็นทุกข์และสามารถที่จะไปทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ได้แต่ก่อนที่จะไปทําให้ใครเป็นทุกข์เนี่ยมันทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ก่อน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 มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณวงยังมีพระชนอยู่นองค์นี้เป็นสังฆราชเมื่อสักห้าสิบหกสิบปีที่แล้วเนี่ยเป็นอุปชาของในหลวงองค์ปัจจุบันวันหนึ่งก็มีนายทหารคนหนึ่งมาเฝ้าสมัยก่อนเฝ้าสังฆราชง่ายนะ น, นาวาเอกคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์กงเคยบวชกับอ่าสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้มาก่อนสีหน้าไม่สู้ดี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 จนมือสั่นเลยเหงื่อก็ออกประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ผมก็ออกมาก็ทําทีเหมือนว่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มองไปที่มือของชายคนนั้นแล้วก็บอกว่าอา้าวเป็นไงผู้ชายก็ต้อบอกว่าหนักครับผมเมื่อยจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยอา้าวทาไมไม่วางมันลงเสร็จล่ะนะ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 วิชานี้เนี่ยมันได้ใช้แน่แล้วก็ได้ใช้ทั้งชีวิตวิชาอื่นนะวิชาบัญชีวิชาวิศวกรรมสถาปัต์นะวิชาท่องเที่ยวหรือวิชาแพทย์บางคนเรียนมา6ปีใช้ไปเดี๋ยวเดียวก็เลิกหมอบางคนก็เปลี่ยนอาชีพไปเป็นนักธุรกิจ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 ทะละบาแวงระบายอารมณ์ใสคนอื่นเวลาป่วยกายก็ไม่ได้ป่วยเวลาเจ็บป่วยก็ไม่ได้ป่วยแต่กายนะป่วยใจด้วยและความป่วยใจบางทีก็ซ้าเติมกายให้มันหนักขึ้นที่พ่ะไม่มีวิชาตัวเบาไม่มีวิชาปล่อยวางไม่มีวิชารู้เท่าทันใจที่มันกำลังถูกบีบคั้นด้วยอันตรายที่ปกปิดอย่างที่ว่ามา วิชานี้นี่มีคุณค่ามาหาศาลนะได้ใช้ในายามที่เกิดทุกข์ทำให้จิตนี่หลุดจากความทุกข์ได้แล้วก็ได้ใช้ในเวลาที่ใกล้จะตายหลายคนตายเนี่ยโดยที่ไม่สามารถปล่อยวางได้นะตายด้วยความทุรนทุรายมีเงินมากเท่าไหร่แต่ไม่ช่วยทาให้ตายสงบได้เลย พอเวลาตายก็ยังหวงแหนทรัพย์สมบัติยังหวงแหนมรดกยังห่วงว่ามรดกนี้จะแบ่งให้ใครดีเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะทำพินัยกรรมให้กับลูกามีคนจำนวนมากนะที่ตายดุวยความทุกข์ทรมานเพราะว่ายัางไม่สามารถที่จปล่อยวางได้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 อาจารย์สิงห์ทองเคยเล่าให้คุณหมออมมาลามาลิลาฟังนะอาจารย์สิงห์ทองนี่ฉันก็เป็นพระที่เป็นมิปัสสนาจารย์ท่านหนึ่งมรณภาพไปสักสามสิบปีแล้วท่านเร า, ามีแม่ชีคนหนึ่งเนะี่ยเป็นคนที่เคร่งในศีลมากเคร่งครัดมากทีเดียวแล้ววันหนึ่งหาที่สักผ้าอยู่ก็เห็นหมดตายอยู่ที่กร ะ, ะมังลอยอยู่ในกะละมังจิตใจเศร้าหมองมากเลยเสียใจเพอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำให้หมดตาย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 วิชานี้ได้ใช้แน่จนกระทั่งนาทีสุดท้ายจนกทั่งวินาทีสุดท้ายและถ้ามีวิชานี้นาทีสุดท้ายหรือวินาทีสุดท้ายของชีวิตจะกลายเป็นนาทีทองอาจารย์พระท่านบอกว่าเนี่ยตอนจะตายเนี่ยนาทีสุดท้ายเนี่ยคือนาทีทองเพราะว่าสามารถจะไปสุคติหรือไปจริงกว่าสุคติคือพ้นจากวัตาสงสารได้ถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวาง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 ชอบพาคนไปทอดกระินทอดพระปาฏาต่างจังหวัดเพื่อสร้างบวชสร้างวิหารในวัดที่ยากจนก็ทํายี่มาหลายสิบปีแล้ววันหนึ่งแกก็เป็นมะเร็งและมะเร็งก็รามเร็วมากและวตอนท้ายๆนี่แกก่อนกล้จะตายนี่แกก็มีอาการกระสับกระส่ายลูกหลานก็คิดว่าถ้าแกได้ฟังเทปธรรมพระสวดมนต์ก็จะสงบ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 แต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนมาบอกนี่จะทำอย่างไรนะก็คงไปอบายนะว่าเจ็ดสุดท้ายเป็นอกุศลเรื่าการปล่อยวางนี่สำคัญมากตั้งแต่ตั้งแต่ยังมีลมหายใจจนกระทั่งใกล้จะหมดลมหายใจวิชานี้จึงเป็นวิชาที่เราไม่ควรมองข้ามและควรที่จะทำให้เชี่ยวชาญชำนานในจะไปสนใจแต่วิชาชีพนะ